พระธรรมเทศนาแผ่นที่57ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่าเป็นพระหันก็ต้องหมั่นรักษาวินัย วันที่สิบเกาฉันยังหันเสร็จเรียบร้อยกันเริ่มละเริ่มบรรจุอธิธาตพระธาตครูบาอาจารย์สามองค์แล้วก็คุณแม่ชีแก้วรวมเป็นสี่ที่อยู่ในห้องนะ่ะห้องพระที่สลาฉันน้ำของพวกเราคงจะมีพิ ธ, ธีกรรมพิ ธ, ธีการบ้างเพื่อเป็นสิริมงคล กอนที่จะ บ, บัรจุกะคงจะมีการสวดอิติปิโสจะเอากี่จบวะจะเอาร้อยแปดจบล่ะโอ้ถ้าเอาร้อยแปดจบนึ่งลวงพ่อจะไปหานางไปหานางพากให้พวกเข้าสวดจนเลให้พวกเขานางสวดจะเอาจะมัดมือมดะสี่องค์สี่สามสิบสอง เอาองละสามจบก็บคงจะพ่อมั้งหลวงพ่อวะการเอาองเอาองละสองเอาองละจบก็ยังจะหน่อยพดวาการเอาองเอาองละส อ, อง 3, 4, 3, 12, 12จบนี่สี่สองเป็นแปดแปดจบการองเป็นสามสี่สามสิบสองสบสองจบอันนี้จะได้เตรียมพระธาตุอธิธาตุหลวง แล้วก็จะบรรจุในวันนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลถ้าทำแบบเรียบง่ายก็เรียบง่ายเกินไปหลวงพ่อเคยคิดเหมือนกันนะถ้าทำแบบเรียบง่ายก็หลวงพ่อบรรจุแล้วก็แล้วไปแต่ก็ไม่ได้ประกาศเกียรติศัพท์เกียรติคุณในคุณค่างามความดีของท่านขบวนที่สุด ก, ก็มากราบเท่านั้นแล้วจบ แต่ต่างว่าพวกเราได้บรรจุเข้าไปในพระธาตุของท่า น, น, นเราก็จะได้ลาลึกถึงว่าเออสมัยหนึ่งพวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือพวกเรายังเป็นเด็กได้มาบรรจุพระธาตุใส่องค์หลวงปู่หลวงตาทั้งสามสี่องค์เนี่ยนะใสพระธาตุที่หลังที่เจาะที่เป็นรูที่ข้างหลังของของขององค์ลูก ของรูปท่านอย่างที่หลวงพ่อไปสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วที่มุกดาหารคนทั้งหลายเขาก็คิดเหมือนกันว่าเจดีย์ของแม่ชีเนี่ยจะมีคนกราบคนไหว้เพราะจะคนมาสักการะหรือเปล่านะหลวงพ่อกได้โปรโมตในคนในท้องถิน่นแจ้งข่าวตางคนต่างท้องถิน่นตั้งแต่ริเริ่มแล้วก็ทําบุญประกาศ จากนั้นก็วางซิล้เลิกจากนั้นก็ได้ทําพิธีกรรมยกฉัดบรรจุตลอดถึงฉลองแต่ทุกวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมลูกหลานในท้องถิน่นให้ความสำคัญอย่างมากหลวงพ่อพอให้เขาให้ความสำคัญอย่างมากหลวงพ่อก็อายุแก่แล้วกระถอนตัวถอยออกมา ก็มอบให้เขาเป็นคนดำเนินลูกหลานดำเนินการต่อไปนี่แหละอันนี้ก็ถ้าว่าเราไม่ลิเริ่มไม่ก่อไม่บอกกล่าวว่าเจดีย์ของคุณแม่สำคัญชนไหนด้วยเหตุใดจึงสร้างพระเจดีย์ให้คุณแม่ชีแก้วถ้าเราไม่ประกาศเกียรติศัพท์เกียรติคุณให้ลูกให้หลานได้ยินซะก่อน ก็ความสำคัญก็จะล่อยหลอลงไปก็ไม่ไม่มีใครให้ความสำคัญในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็โดเดยุอยู่กลางท้องนาในที่นั่นไม่มีใครไปกราบไปไหว้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรเงินของเราเสียไปถั้งเยอะแยะอย่างน้อยก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดพระเจดีย์ ประทาตของพระรหันต์ประทาตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันก็บรรจุไว้ข้างบนแต่ที่แรกหลวงพ่อก็อคิดเหมือนกันนะคือพระเจดีย์ก็ต้องเป็นของท่านภูนั้นอย่างเราสร้างเจดีหลวงปูล่ลากเราก็ต้องบรรจุอธิธาตหรือประาธาตหลวงปูล่ลากอยู่ข้างบนเจดีแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วอ ของคุณแม่เนะี่ยเป็นเป็นผู้หญิงเป็นจิตของใจของท่านที่สูงสงก็จริงอยู่แต่กระดูกของท่านจะขึ้นไปอยู่ข้างบนยอดพระเจดียนะ์นั้นคงจะไม่เหมาะสมเวลาพระเถระขึ้นมาชมหรือขึ้นมาดูอัิธาตุของคุณแม่ก็อยู่ข้างบนไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็ได้คิดจากนั้นก็ได้เอาอัิธาตุของคุณแม่ใส่ทาง ฐานที่นั่งของท่านแล้อยู่เบื้องหลังพระเจดีย์ตรงหลังของท่านผ น, นังผ น, นังที่นั่งของท่านเป็นที่บรรจุอธิษฐานรูปธาตุของคุณแม่และก็ในแท่นของคุณแม่และก็ในองค์ของคุณแม่ส่ว น, วนข้างบนก็เป็นบรรจุพระพุทธปฏิมาปางต่างๆแล้วเป็นลูกเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา แล้วก็อธิธาต์พระธาต์พระบรรมสารีริกธาต์พระธาต์พระหันอธิพระาธระาต์อาาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ต่างๆก็ บ, บันจุไว้ข้างบนทั้งหมดนี่แหละคือเจดีย์ของคุณแม่ที่หลวงพ่อได้เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปจัดการก่อนที่จะทำอะไรลงไปก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทาแบบ ตัเองอยากจะทําก็ต้องมีสูงมีต่ําควรไม่ควรอย่างไรนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าถึงจะเป็นลูกของคุณแม่ชีแก้วอยู่ที่ห้องแต่พ้าพระที่ไปกราบก็จะกราบตั้งแต่ลูกหลวงปู่มั่นหลวงตาหลวงปู่ล่าแต่คุณแม่ชีแก้วถึงจะท่านจะเป็นพระหันท่านมีคุณธรรมกราบผิดไหมก็ไม่ผิด แต่ก็ไม่ควรจะกราบเพราะเหตุใดเพราะในพระวินัยของพระสงค์พระพุทธเจ้าบัญญัติคลุธรรมแปดประการก่อนที่นางโคเตมีจะออกบวดก่อนที่นางโคเตมีจะบวชพระอนนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าตั้งหลายครั้งตอนนางโคเตมีเป็นผู้มีบุญคุณกับพระพุทธองค์ แล้วก็นางก็ติดตามมาอยากจะบวชขอพระองค์จงบวดให้นางภิกษณุณีนางโคตมีด้วยเถิดพระพุทธองค์บอกว่าโอออย่าเลยอานนุ์การบวชภิกษณุณีบวชผู้หญิงในพระพุทธศาสนาศาสนาของเราตถาคตจะอยู่ได้ถึงหมื่นปีแต่ถ้าเขาว่าบวชภิกษุณีเข้าไปแล้วจะได้จะอยู่ได้เพียง 5,000 ันปีเท่านั้นนะ อ, อ น, นุ์ เลยอานนท์แต่นี้ก็พระอานนท์ก็บอกว่านางโคจะมีเป็นผู้มีบุญคุณต่อพระพุทธองค์เป็นพระแม่เลี้ยงนางนมเพราะพระมารดาของพระพุทธองค์ได้ประสูติออกมาได้เจ็ดวันก็สวรรคตนางโคตมีก็เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูพระพุทธองค์ขอโปรดพร ะ, พระองค์ทรงให้นางโคจะมีบวช เป็นภิกษุณีโดยเทิดพระเจ้าพราณนะพอในครั้งก่อนๆ ก, ก็เคยมีมาแล้วที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้พระพุทธองค์ถ้านางโคตมีจะบวชเขายินดีในคลุธรรมแปดประการไหมถ้าเขาปฏิบัติคลุธรรมแปดประการนี้ได้เราก็จะให้อุปสมบทจะให้บวดเป็นภิกษุณีได้ทีนี้ พุธรรม8ประการนั้นฟังท่านก็บอกบอกแล้วนะแต่นี้มีข้อหนึ่งใน8ประการนั้นอ่ะสรุปก็คือปาราชิกสีภิกษุนี่คือปาราชิก4แต่ภิกษุนีปาราชิก8นะเพิ่มเข้าไป8นะโทษประหารของภิกษุนีนคือภิกษุนีบวชมาร้อยปีต้องแสดงเค้าความเคารพคารวะภิกษุที่บวชในวันนั้น อันนี้คือบัญญัติกระลุธรรมในแปดข้อนะันคือข้อที่ข้อหนึ่งในแปดข้อนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นกฎเกณฑ์เพราะนั้นมาถึงยุคของเราถึงเราจะเคารพในจิตใจที่ว่าทันในบรรลุสำเร็จมรรคผลก็ไม่ให้ไม่ควรพระไม่ควรจะกราบไม่ควรจะกราบเมตชีแม่ข่าว หรือว่าภิกษุณีเพราะพระพุทธเจ้าได้บัญญัติในพระวินัยตายตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทําอะไรเราต้องคิดนะไม่ใช่การาบอะไราการ็กราบไปเรื่อยการาบจนคนดูถูกเกียดยามงบงายไปมันก็ไม่ใช่ไม่ลึกไม่ใช่เรื่องแต่เราเคารพในคุณธรรมของคุณแม่แต่จะให้เรากราล่าวคาวะนั้นคือพระวินัย พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วแต่เราขอรบในธรรมใจเราขอรบในท่านเออคุณแม่เป็นผู้มีคุณธรรมเราขอแสดงความเคารพคารวะทางด้านจิตใจ เ, ออเพราะคุณแม่สําเร็จมรรคผลไปแล้วเหมือนกับลูกไก่ถ้าว่าใครยังไม่ได้สําเร็จมรรคผลก็เหมือนกับไก่อยู่ในไข่ไก่อยู่ในฟองแต่ตัวไหนที่เจาะ เปลือกฟองออกไปแล้วนั่นแหละตัวนั่นแหละเป็นพี่ถ้าไก่ไข่ในลังนั้นมีอยู่สิบฟองแต่ตัวไหนเจาะฟองออกไปก่อนตัวนั้นเป็นพี่ชายใหญ่เป็นพี่ชายพวกน้องๆทั้งหลายก็ต้องกราบคารวะถ้าอยู่ในฟองก็จะแสดงว่ายัางยังจะตรงเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปตั้งอยู่อีกจงฟักอีกนาน แต่ตัวที่ออกไปแล้วก็คือตัวนั้นพ้นแล้วออกเป็นตัวแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือถึงมรรคผลนิพพานแล้ว น, ะนี่แหละออถ้าตัวไหนเจาะฟองไข่ออกได้ก่อนคนนั้นแหะคือพี่ชายของพวกเราพนะระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะนั้นท่านถือความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นใหญ่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามยังเป็นปุถุชนอยู่ แต่พระจะเป็นสัมมเณีก็ตามจะเป็นพระก็ตามบวชมาในวันสองสามวันอาทิตย์หนึ่งก็ตามท่านได้สำเร็จพระหรหันท่านก็จัดว่าเป็นเทระนะเป็นเทระเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของท่านหมดจดจากกิเลสแล้วอันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยก ผู้ที่ได้สำเร็จนั่นแหละเลิศประเสริฐแต่ทางนี้ทางนั้นในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทํานายทายทักพระสงฆ์ฟ้องพระองค์นี้อวดคล้ายๆกับว่าเป็นไงท่านจึงไม่ปฏิบัติตนอย่างนั้นพระองค์นี้โอยผมหมดภารกิจแล้ว ผมไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเพราะอันนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องได้ทำสำหรับทั่วๆไปแต่ผมจุดนั้นผมหยุดแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำอีกแล้วเข้าเพียงแค่นี้แหละพระสงฆ์ตั้งหลายก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์นี้พูดมิ่นเมร์เรียกว่าพูดเหมือนกับยกตน เ, เป็นพระอราหันต์พระพุทธองค์เพราะว่าใช่ องค์นี้จะเป็นพระอรหันต์จริงแล้วเขาทําอย่างนั้นจริงอย่างที่พระนันทกุมารนันทกุมารท่านพระพุทธเจ้ารับรองว่าเอาเธอนันทกุมารถ้าว่าเธอปฏิบัติพรมประจันอย่างนี้เรารับรองเลยว่าเธอจะต้องไปสู่สวรรค์เรารับรองว่าสาวสวรรค์ ท, ท, ท, ท, ที่ท่านไปเห็นนั่นเรารับรองว่าท่านต้องได้สาวสวรรค์แน่ถ้าเธอปฏิบัติปมมรจันอย่างนี้จากนั้นนันทาก็รับปากไปจะประพฤติปมมะจันเพื่อจะได้สาวสวรรค์พอลงมาจากชั้นสวรรค์คาที่รับพระพุทธเจ้ารับรองก็จรไปในวัดป่าเชตตะวันใครๆก็ถามไปไง่ายท่านนันทาก ที่พระพุทธเจ้ารับรองเป็นไงสาวสวรรค์สวยไหมโอ้สวยจริงๆครับพระพุทธเจ้ารับรองอครับพ ร, ระพุทธเจ้ารับรองว่าผมประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติผมมาจันอย่างนี้จะได้ไปสู่สวรรค์จะได้สาวสวรรค์พระพุทธองค์รับรองใครก็ถามถามข้าถามข้อันมันอายเขาได้แต่หลบลี้หนีหน้าไปอยู่ที่อื่น พอหลบเลี่ยนหนีหน้าไปอยู่ไปอยู่ในมุมสงบไปกับภาวนาเห็นอันธิจังทุกขังอนัตตาจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายสลัดทิ้งกิเลสในใจสําเร็จเป็นพระหรหันต์พอได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ท่านนันทะเป็นไงสาวสวรรค์สวยไหมพระพุทธองค์รับรองคงจะได้สาวสวรรค์อย่างที่พระพุทธองค์รับรองใช่ไหมท่านนันทะ ตอนนี้ท่านได้เป็นพระาราหันแล้วท่านไม่พูดอย่างเก่าแล้วท่านเนี่ยท่านบอกว่าไม่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยสวยหรือไม่สวยงามหรือไม่งามผมไม่ไม่สนใจแล้วหมดภาระของผมที่จะไปนสนใจจุดนั้นแล้วคือท่านเป็นพระหรหันแล้วพระเหล่านั้นก็นได้ยินนะเ อ, เอ๋ทำแม่งนะว่าสแสดงว่าอวดอุตริมนุษยธรรมอะไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้ ก็นําคําแล้วไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปฟ้องอนะพูดง่ายๆอย่างนันทะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าค่ะเีแต่นี้พระพุโตรองก็ถามเรียกนันทะเข้าไปไปไงนันทะเธอได้พูดอย่างนี้จริงไหมจริงพระเจ้าค่ะนะ่เธอทําไมพูดเพราะว่าข้าหมดความสงสัยแล้วเพราะฉนั้นข้าพระองค์จึงบุพูดได้พูดอย่างนี้เออพระพุโตรองเอ อ, เ อ, อนี่แหละภิกษุทั้งหลายนันทะเขาถึง หมายปลายทางของเขาแล้วเขาได้เป็นพระอรหันแล้วการที่จะประกันที่เราได้ประกันไปนั้นล้วก็จบแล้วเพราะว่าหมดเรื่องแล้วสำหรับนันท ะ, อ, ะอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือท่านยกผู้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็น เ, เป็นสำคัญในครั้งพุทธกาลแต่ถึงยังไงก็ตามผู้ที่สาเร็จบริสุทธิ์หลุดพ้นไปนั้น ท่านก็ต้องรักษาธรรมวินัยธรรมวินัยในเป็นของกลางเป็นของสาธารณะถ้าว่าพระรหันต์มันเมื่อได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แล้วไม่รักษาธรรมวินัยก็ให้คนอื่น เ, เธอเดินตามผลที่สุดธรรมวินัยก็เลยหมดไปโดยปริยาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชเึืจะได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แล้วก็เถอะก็ต้องรักษาธรรมวินัยอีกเหมือนกัน อย่างพระกบินพระกบินท่านเคยเป็นพระราชามาก่อนจากนั้นท่านมาบวชท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระราหารันพอท่านสําเร็จเป็นพระราหันแล้ววันอุโบสถเป็นวันอุโบสถท่านก็เข้าเข้าฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติท่านไม่ไปลงอุโบสถพร้อมกับพระสงฆ์ท่านบอกภารกิจของเราหมดแล้ว กายของเราใจของเราบริสุทธิ์แล้วเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วกายวาจาก็ต้องบริสุทธิ์จะผิดผิดศีลที่ตรงไหนเพราะใจของเราบริสุทธิ์แล้วแล้วกายวาจาใจไม่สั่งให้กายวาจาไปทําไปพูดมันจะผิดศีลที่ตรงไหนศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยส่วนธรรมรักษาใจแต่นี่เรารักษาใจของเราแล้วบริสุทธิ์แล้วหมดจดจากกิเลสแล้ว เราไม่จำเป็นจะต้องไปลงอุโบสถนะอันนี้คือพอระมหากบินท่านก็เข้าสมาบัตินะจากนั้นพระ อ, องค์ดูรู้ด้วยญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าพระพองค์บอกเออกบินนี่ทำไม่ถูกแล้วนะผู้ที่ได้สำเร็จแล้วก็จริงอยู่แต่ก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงสำหรับพระยังเป็นปุถุชนท่าทางแาพระาราหันสำเร็จแล้ว ไม่เดินนําไม่เป็นผู้พานํพาพระเหล่านี้เขาเห็นองค์นั้นเขาไม่ไปลงโบสถ์โพ้นินสุดองค์หนึ่งก็ไม่ไปลงโบสถ์โพ้นในสุดทําวินัยจะอยู่ได้อย่างไรกระบินทําไม่ถูกนอจากนั้นพระพุทธองค์ก็แสดงฤทธิ์ไปเลยอิทธิฤทธิ์ไปเลยไปเหยียบฝาพระบาทไว้ที่หน้ากุฏิของท่านอที่กุฏินี่ที่ลานดินน พระองค์เกลียบพระบาทไว้ทันทีนพระกระบินออกจากสมาบัติมาก็มาเห็นลอยพระบาทพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้ากติของตนเองโอ้เกิดเรื่องและเหตุและมีเหตุแล้วจากนั้นพระกระบินก็รีบไปกราบพระพุทธเจ้าพระเถรองบอกว่ากบินที่เธอทําอย่างนั้นไม่ถูกนะถึงวันอุโบสถต้องลงอุโบสถ ถ้าไม่ลงโบสถ์พระรุ่นก่อนต่อไปภายภาคหน้าองค์ที่ขี้เกียจนะจะเตือนตามหลังกันเรื่อยๆผที่สุดหลักธรรมวินัยก็จะร่อยหล่อแักใครจะเป็นผู้รักษาธรรมวินยัยที่บัญญัติไว้เพื่อเป็นกีดกันความชั่วช้าเสียหายของพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ไม่มีศีลจะเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาได้อย่างไรอย่างน้อยเป็นปุตชนก็จรงิง แต่เป็นผู้มีศินก็ยังเป็นที่เคารพ ก, กราบไหว้สักดิระของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ตรัสแต่ถึงจะมีธรรมก็จริงอยู่ธรรมมันบริสุทธิพพ์พระพุทธองค์ก็ยกธรรมบริสุทธิ์แต่ท่านก็ไม่ได้เหยียบย่ําำตรงที่ศินและวินยัยท่านยังให้ความสําคัญศินและวินยัยเพราะสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะได้ทำสูงสุดจุดนั้นก็ต้องอาศัยเบื้องต้น คือทำวินัยคือศีลและวินัยซะก่อนคือรักษากฎระเบียบให้เรียบร้อยจากนั้นก็บำเพ็ญสมาธิศีล ส, สมาธิแล้วก็เกิดปัญญาจากนั้นปัญญาก็กันกลองไตรตองเหตุผลจากนั้นก็หมดจดจากกิเลสจากอาสวะกิเลสตามขั้นตอนนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราศึกษา ดูต้นตอไล่เลียงกันแล้วนะมันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่นะเนี่ยเกาะกันไม่ใช่เป็นคนละเป็นคนละเปาะกันนะเกาะกันเกาะเกี่ยวกันมาเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่เรื่องทานฆลาวาสกับเรื่องทานทาไม่มีการเสียสละไม่มีการเสียสละทั้งอมิตฐรทานา ไ, มไม่มีการเสียสละให้การให้อภัยต่อกัน โลกทั้งโลกจะอยู่ได้อย่างไรคือทานเสียสละทานะคือการเสียสละศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิทำใจให้มั่นคงปัญญาคลี่คลายดูหลักเหตุผลอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรจิตใจของเราลุ่มหลงเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ใจของเราหลงเรื่องอะไรความรู้สึกของเราหลงเรื่องอะไร แต่พระกุฎายาถว่าหลงกายให้พวกท่านทั้งหลายดูก็แล้วกันให้หลงกายเกซาโลมานาคฆ่าทันตาตะโจเนี่ยแหละหลงวันนี้แหละถ้าพิจารณาให้เห็นตัวนี้ร่างกายของเราจะอยู่ได้นานจากเท่าไหร่เห็นไหมใครอยู่โช่ฟ้าดินสลายไม่มีใครที่จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายตายออทุกคนจบทุกคนอย่าหลงนะใจน ะ, นะให้พวกท่านดูดูใจ เมื่อท่านดูใจแล้วนั่นแหละขนาดร่างกายของตัวเองก็ยังเอาไม่อยู่ยังแตกสลายลงสู่ดินน้ำลงไปเราจะไปหลงอะไรจากคนอื่นหลงพี่หลงน้องหลงพ่อหลงแม่หลงลูกหลงหลานหลงสามีภรรยาหลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงที่อยู่อาศัยมันหลงไปหมดเลยเพราะมันหลงตัวเอง คณะตัวเองยังเอาไม่อยู่แล้วจะไปหลงส่วนอื่นได้อย่างไรเนี่ยพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีนะนะใจนะเนี่ยนะพระพุทองค์สอนสอนใจพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะถึงจะไม่ทําไม่ได้ถึงจะทําม่ได้ขอให้ฟังไว้ก่อนฟังไว้เพื่อการศึกษาจริงไหมจากนั้นก็เราใช้จิติใช้ปัญญาของพวกเราเนี่ยนะกันกลองไตรตอง ตามที่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านที่ท่านได้ตรัสเอาไว้จริงไหมปัญญาสติปัญญาเรามีเท่าไหร่ก็กัน ก, กลองไตรตรองดู <c oughs> เพราะว่าท่านการกลองไตรตรองมาด้วยเหตุและผลยาวนานแล้ว <c oughs> ถ้ามว่าเรายังไม่ยอมรับก่อน <c oughs> มันเป็นกิเลส ข, ของเราเท่านั้นเองแต่ตามไม่จริงทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วนะ แต่ตอนนี้ไปรับพรอนโมโทนาให้พร